มาบทแปลเรื่องที่184เรื่องพระติสสะเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัยาสาวะมหลังสมทุททายะเป็นต้น ตอนพระติสสะมอบผ้าสาดกเนื้อหยาบให้พี่สาวดังได้สดับมาคลบุรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งได้บรระชาอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าติสสะเถระในการต่อมาพระติสสะเถระนั้นเข้าจำพรรษาณวิหารในชนบทได้ผ้าสาดกเนื้อหยาประมาณแปดสอก จำพรรษาประวารณาแล้วถือผ้านั้นไปวางไว้ใกล้มือพี่สาวพี่สาวนั้นดำริว่าผ้าสาดกผืนนี้ไม่สมควรแก่น้องชายเราแล้วตัดผ้านั้นด้วยมีดอันคมทำให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่โครกในครกแล้วสางดีดกรอปั่น ให้เป็นได้ละเอียดให้ทอเป็นผ้าษาดกแล้วตอนพระเถระเตรียมจะตัดจีวรฝ่ายพระเถระก็จัดแจงได้และเข็มนิมนต์ภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำจีวรให้ประชุมกันแล้วไปยังสำนักพี่สาวพูดว่าพี่จงให้ผ้าสาดกผืนนั้นแก่ฉัน ฉันจักให้ทำจีวรพี่สาวนั้นนำผ้าสาดกประมาณ9ศ้าอกออกมาวางไว้ใกล้มือของพระผู้น้องชายท่านรับผ้าสาดกนั้นมาพิจารณาแล้วพูดว่าผ้าสาดกของฉันเนื้อหยาบประมาณแศดอกผืนนี้เนื้อละเอียดประมาณ9ศ้าอกผ้านี้ไม่ใช่ผ้าสาดกของฉัน นี้เป็นผ้าสาดกของพี่ฉันไม่ต้องการผ้าผืนนี้พี่จงให้ผ้าสาดกผืนนั้นแหละแก่ฉันพี่สาวตอบว่าท่านผู้เริญนี้เป็นผ้าของท่านทีเดียวขอท่านจงรับผ้าผืนนั้นเถิดท่านไม่ปรารถนาเลยลำดับนั้น พี่สาวจึงบอกกิจที่ตนทำทุกอย่างแก่พระเถระนั้นแล้วได้ถวายว่าท่านผู้เจริญผ้านั่นเป็นผ้าของท่านทีเดียวขอท่านจงรับผ้าผืนนั้นเถิดท่านถือผ้านั้นไปวิหารเริ่มจีวรกรรมตอนพระเถระห่วงใยในจีวรตายแล้วเกิดเป็นเลน ลำดับนั้นพี่สาวของท่านจัดแจงวัตถุมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสา ม, มเณรผู้ทำจีวรของพระติสะนั้นก็ในวันที่จีวรเสร็จพี่สาวให้ทำสการะมากมายท่านแลดูจีวรแล้วเกิดความเยื่อใยในจีวร น, นั้นคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะห่มจีวร น, นั้น แล้วพับพาดไว้ที่สายระเดียงในราตรีนั้นไม่สามารถให้อาหารที่ฉันแล้วย่อยไปได้มรณาภาพแล้วเกิดเป็นเลนที่จีวร น, นั้นนั่นเองตอนพระสัสดารับสั่งไม่ให้แจกจีวรฝ่ายพี่สาวสดับการมรณาภาพของท่านแล้ว ร้องหายกลิ้งเกลือใกล้เท้าของพวกภิกษุพวกภิกษุทรมศรีรกิจคือเผาศพของท่านแล้วพูดกันว่าจีวร น, นั้นถึงแก่สงศ์ทีเดียวเพราะไม่มีคิลานุปถากพวกเราจะแบ่งจีวร น, นั้นแล้วให้นําจีวร น, นั้นออกมาเล่นวิ่งร้องไปข้างนนทนและข้างนี้ว่าพวกภิกษุนี้ แย่งจีวรอันเป็นของเราพระสัสดาประทับนั่งในพระกันทากุฎีเที่ยวทรงสดับเสียงนั้นด้วยโสตธาตุเพียงดังทิพตรัดว่าอานน์เธอจงบอกอย่าให้พวกภิกษุแบ่งจีวรของติศะแล้วเก็บไว้เจ็ดวันพระเถระให้ทำอย่างนั้นแล้วตอน รัศดารับสั่งให้แจกจีวรของพระติสาเถระแม่เลนนั้นทำการละในวันที่7เกิดในวิมานชั้นดุสิตแล้วในวันที่ 8, พระรัศดารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายจงแบ่งจีวรของติสาแล้วถือเอาพวกภิกษุทำอย่างนั้นแล้ว พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าเหตุไรหนอแหลพระสัสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติดสะไว้สิ้นเจ็วันแล้วทรงอนุญาตเพื่อถือเอาในวันที่8ตอนตัณหาทำให้สัตว์ถึงความพินาศพระสัสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติดสะเกิดเป็นเล่นที่จีวรของตนเมื่อพวกเธอจะแบ่งจีวร น, นั้นวิ่งร้องไปข้างโ น, นและข้างนี้ว่าภิกษุพวกนี้แย่งจีวร อ, อันเป็นของเรา เมื่อพวกเธอถือเอาจีวร อ, อยู่เขาขัดใจในพวกเธอแล้วพึ่งเกิดในนรกพระเหตุนั้นเราจึงให้เก็บจีวรไว้กบัดนี้เขาเกิดในวิมานชั้นดุสิตแล้วพระเหตุนั้นเราจึงอนุญาตการถือเอาจีวรแก่พวกเธอเมื่อภิกษุพวกนั้นกราบทูลอีกว่าพระเจ้าค่า ขึ้นชื่อว่าตันหานี้หยาบหนอจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตันหาของสัตว์เหล่านี้หยาบสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองย่อมให้เหล็กพินาศไปทําให้เป็นของใช้สอยไม่ได้ฉันใดตันหานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้น ภายในของสัตว์เหล่านี้แล้วยอมให้สัตว์เหล่านั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอายาซาวะมลังสมุททยะตตดุทายะตเมวคาดะติเอวังอติโทนจาริน e ังซานิกรรมมานินยันติ ดุกกระติงสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กครั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาไปสู่ทุกขติฉะ น, นั้นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อヤซาคือแต่เหล็กบทว่าสมุททายะคือตั้งขึ้นแล้วบทว่าตะดุททายะคือขันตั้งขึ้นแต่เหล็กนั้นในบทว่าอติโทนจารินังบัณฑิตพึงทราบวินิฉัยดังนี้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ว่า การบริโภคนี้เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยเหล่านี้แล้วบริโภคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทนาบุคคลประพฤติก้าล่วงปัญญาชื่อว่าโทนานั้นชื่อว่าอติโทนจารีพระผู้มีพระภาคตรัสเป็นคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าสนิมเกิดขึ้นตะเหล็กตั้งขึ้นตะเหล็ก ย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนคือกรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นของตนนั่นแหละเพราะตั้งขึ้นในตนย่อมนำบุคคลผู้ไม่พิจารณาปัจจัยสี่แล้วบริโภคชื่อว่าผู้ประพฤติก้าวล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาไปสู่ทุกติฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรร ล, ลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระติสสะเถระจบ